ตราบใดที่เรารู้ตัวอย่างนี้ความไม่รู้ตัวจะแทรกเข้ามาไม่ได้แล้วถ้าเรารู้ตัวต่อเนื่องกันนานในสุดไอ้ความไม่รู้ตัวก็หย่าทับคือความไม่ไม่รู้ตัวมันค่อยๆห่างไปห่างไปความรู้ตัวเข้ามาแทนที่เหมือนเขาว่าที่ที่ผมนั่งนี้นะครับจะไม่มีใครนั่งซ้อนลงไปในที่นี้ได้อีกแล้วตัวซ้อนก็นั่งหุ่นตาผมแต่จริงๆไม่ได้ซ้อนในตัวนั้น คือที่มีที่เดียวนเท่านั้นเองดังนั้นเมื่อเรารู้ตัวมากๆความรู้ตัวก็เข้าไปสถิตอยู่ที่ตรงนั้นเองเมื่อคุณเข้าคุณเข้ า, ขาไอความไม่รู้นี่เข้าไม่ติดแลยเข้าใจาดีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นลงปฏิบัติกันเป็นช่วงๆครับมาฟังแนะนำไปช่วงๆ กำหนดจิตให้แน่นอนนะครับเวลา ม, มีมีขนบธรรมเนียมของนั ก, นกบวชประการหนึ่งก็คือเมื่อตื่นแต่เช้าดูตามธรรม า, าเมื่อตื่นขึ้นมามันจะมีปฏิกิริยาจากการหลับและฝันจิตใจจะขุ่นมัวหรืออ่อนหอโหยลอยแรงแต่ถ้าคนมีสติที่ดีนะครับหรือค่อนข้างสมบูรณ์ตื่นขึ้นมาจะสดชื่น ดังนั้นเป็นภาระหน้าที่ที่ถือเป็นขนบมาแต่โบราณในโมนิกปฏิบัติธรรมว่าในทุกครั้งที่เราจะทําอะไรนี่ยเราต้องกําหนดจิตให้แจ่มใสก่อนเข้าใจไหมครับเมือนทีกินข้าวเราต้องล้างให้มันสะอาดก่อนแล้วก็ต้องล้างทุกครั้งด้วยครับถ้าใครไม่ล้างกินเสร็จไม่ล้างตักใส่อีกถือว่าก็กินอีกจะไปล้างทำไมมันก็เปื้อนอีกในสูงเกิดลาขึ้นมา แล้วก็เป็นพษิษครับดังนั้นทุกๆครั้งเมื่อเราจะทำอะไรที่จริงนั้นทุกๆครั้งที่เราจะเริ่มทำอะไรนั้นเราต้องทำพิธีก่อนจริงไหมครับเช่นประชุมก่อนเราก็ทำพิธีแล้วพิธีคือคำวิธีนั่นนี่นั้นเป็นวิธีที่จะชำระสาสางเรื่องที่หมักมงุง แต่ต่อมามันกลายเป็นพิธีดีต อ, องยุ่งกันใหญ่เลยครับซึ่งซึ่งกลายเป็นตรงกันข้ามเมื่อจะกินข้าวก็ต้องทำพิธีหรือกาหนดรู้มาที่ความรู้สึกตัวนี้แล้วก็เริ่มกินจะนอนหลับให้กาหนดจิตก่อนกาหนดขึ้ไปที่จิตใจนจนรู้สึกมันแจมชัดขึ้นมาแล้วก็หลับ จิตที่จำใสขณะที่หลับไปมันจะคุ้มครองผู้นั้นไปจนกระทั่งถึงวาระที่ตื่นพอตื่นขึ้นมาจะกำหนดง่ายนิดเดียวพอตื่นขึ้นมาก็กำหนดเข้าไปที่จิตหรือเมื่อจะทำกรรมฐานเคลื่อนมือนี่ครับไม่ใช่เอาเลยอย่างนี้กลายเป็นไล่ยุงครับนั่งไล่ยุงเล่นอย่างนี้ซึ่งไม่มีผลใดทั้งสิ้น เราต้องมารู้ตัวนะครับส่วนการเคลื่อนมือนี้เป็นบทสำทับเท่านั้นเข้าใจครับสำทับไม่ให้ลืมไม่ให้ลืมไม่ให้เราเผลอเท่านั้นที่ถ้ากำหนดจิตได้แล้วไม่ต้องทำครับไม่ไม่มีความจำเป็นที่ต้องทำเปรียบเหมือนคนที่โดนฟุตบอลมานะหรือตกต้นไม้ขาหักหมอก็ต้องใส่เฝือกเพื่อกันไม่ให้มันขยับขยื่นจนกว่ามันจะเริ่ม ขาขาเริ่มติดกันกระดูกที่แตกไปแต่ถ้าใครเข้าใจผิดคิดว่าเฟือ่องมันสวยดีนะไม่ถอดหายขาหายแล้วยังไม่ถอดเล็กขาเกตลอดชีวิตเลยเข้าใจไหมครั บ, าา ม, รบมันมีคนเป็นจุนวนมากีเดียที่เข้าใจติดต่อสิ่งทีเรียกธรรมะจากการคนบ้าธรรมะครับบ้า ศ, าศาสนาคนที่ลงบ้าธรรมะแล้วบ้าศาสนาแล้วมันจะไม่รู้จักชีวิต ไม่รู้จักตามที่เป็นจริงนี่เรื่องหนึ่งบาทหลวงโปรเสตสแตนเขาเล่าใ้ฟังเนะผมชอบมากก็เล่าเรื่องชอบๆให้ฟังคืนนี้พิเศษชีเห็นว่าคนที่เมาธรรมะหรือเมาศาสนาเนี่ยยึดถือในศาสนาของตัวมันตัวนี้มันแทนที่จะฉลาดกลายนคนโง่เขลาบัญญาขึ้นและใจร้ายขึ้นด้วยครับผมเห็นเยอะนะคนไปวัดไปวานั่งชอบนั่งสมาธิเย ใจดำมากๆเลยขี้ยัวด้วยเราจะทำอย่างนั้นครับเราเรียนที่จะเป็นคนปกติธรรมดาธรรมดา mm hmm. เพื่อจิตใจของเราจะได้ปกติธรรมดาธรรมดาเรื่องเล่ามีชาวนาคนหนึ่งนะค mm hmm. ก็เกิดป่วยหนะักขึ้นในเวลาเย็นภรรยาที่ครูชีวิตก็ไม่ค่อยสบายอยู่แล้วครับดังนั้นก็ ทั้งคู่ยากจนมากไม่มีเงนินที่จะทําอะไรได้ก็เดินนั้นออกมาจากบ้านมานั่งพักกันที่ข้างทางในขณะนั้นมีพระคารินันรูปหนึ่งพระคารินันก็คือคล้ายๆถ้าเทียบทางรัฐบาลคือรัฐมนตรีระดับระฐมนตรีของของของท่าโพบนั่นเป็นสังฆราชพระไค้นั้นเห็นเข้าว ชาวนาก็เห็นน่นเป็นพระคารินันก็อ้อนวอนเขาบอกว่าผมกับพันยาไม่สบายมากๆครับท่านขอให้ท่านช่วยด้วยประโยคแรกที่พระคารินันถามก็ว่าแกนับถือนิกายอะไรชาวนาโปรเมียกบอกว่าพวกเราเป็นโปรเทสแตนครับกับผมพระคารินันซึ่งเป็นแคทอลิกก็พูดว่าถ้าเช่นนั้นแกก็ไปหาพระของแกสิแล้วท่านก็เดินเลย ชาวนาก็ได้บทเรียนหนึ่งครับต่อไมอ้ครู่หนึ่งบราเทอร์ก็หนึ่งเดินมาบราเทอร์นี่หมายถึ ง, ถงพระในนิกายโปรเตสแตนต์นครับแต่บัดนี้ชาวนาเริ่มกันล่อนครับเพราะรู้บ้าพอเห็นข้าวก็อ้อนวอนคุณพ่อครับช่วยด้วยคุณพ่อนั้นถามว่าผู้กแกนับถือนิกายอะไรพวกผมเป็นคทอลิกครับงั <c> ้น <oughs> คือแกไม่รู้ว่าที่จริงพระนี้เป็นโปรเสตสแตนต์ชาวนาเริ่มกันล่อน คุณพ่อคนนั้นบอกว่าแกก็ไปหาพวกพระแคทอลิกสิก็เดินหนีไปชาวนาผู้เมียเลยนอนร้องครางกันตรงนั้นนี่ครับทีนี้จะกล่าวถึงชาวนาจนๆอีกคนหนึ่งออกมาจากบ้านพอมาเห็นผูวเมีก็แล้วอาแกก็มังป่วยทั้งคู่นี่นะฮแล้วชาวนาคนจงนนั้นเข้าไปแบกทั้งผัวทั้งเมียไปโรงพยาบาลคือชาณาคนหลังนี่ไม่รู้เรื่องาศาสนาเลยแต่มันปฏิบัติาศาสนาตรงๆเข้าใจไหมครับ คือเปนคนเห็นคนป่วยคือคนป่วยไม่ใช่เห็นอ๋อมึงเป็นแคทอริกมึงเป็นโปรเตสแตนท์เข้าใจงาที่ผมพูดไหมครับคนที่คลั่งศาสนาจะไม่รู้จักมนุษย์จะไม่รู้จักเมตตาครับจะรู้จักเมตตาภายใต้ยี่ห้อหนึ่งถ้าแกพูกเดียวกับฉันแล้วก็เมตตาเข้าใจไหมครับาบารหลวงเล่าใผมฟังนี้นะครับว่า ที่เมืองหนึ่งที่สารัฐเนี่ยเกิดเหตุรถชนโสเภณีคนหนึ่งที่น่าโรงพยาบาลและเด็กหนุ่มคนนี้มันมันสงสารก็รู้ด้วยเป็นโสเภณีเขาเข้าไปอุ้มเลือดเต็มตัวแล้วก็โรงพยาบาลก็อยู่ฟากตรงข้างแกก็อุ้มมาแล้วมันเป็นเวลาดึกแล้วเขาเประตูครับกดออกเขามีประตูเล็กๆที่จะดูถ่ายมาคนนั้นเขากา็เปิดดูเทา้าว่ามีอะไรเกิดขึ้น เขาบอกผู้หญิงคนนี้กำลังจะตายถูกรถชนคำถามแรกบอกเขานับถือนิกายอะไร <laughs> เ, ดเด็กหนูนั่นโมโหมันเป็นคนขี้ยว่ามันก้มลงถอดรองเท้าคว้างกข้าไปในโรงพยาบาล <laughs> <laughs> แล้วก็พาผู้หญิงนั้นไปที่โรงพยาบาลอื่นใน <laughs> ที่เมืองหนึ่งนะครับ <laughs> พวกโปรเสตสแตนต์นั้นเป็นที่ลังเกียดของแคทอลิก มีหมอคนหนึ่งถูกย้ายไปที่โรงพยาบาลนั้นเป็นหมอผ่าตัดเขาเป็นโปรเสตสแตนต์แต่ไปถึงที่นั่นก็ปิดเป็นความลับบอกเมียบอกอยพูดได้ใครฟังว่าเราเป็นโปรเสตสแตนต์เพราะว่าทั้งเมืองเป็น Catholic. แคทอรีนทีนี้วันหนึ่งนะครับในขณะที่หมอซึ่งเป็นหมอใหญ่ด้วยคนที่เป็นโปรเสตสแตนต์กำลังผ่าตัดคนไข้ยอยู่คนไข้กำลังนอนเลือดอาบอยูน่นะเขากำลังผ่ากัน หมอคนหนึ่งวิ่งเขมาในห้องพ่อตาบอกว่าทุกคนโปรดทราบนะหมอใหญ่ของเราเป็นโปรเตสแตนต์นครับหมอทุกคนเนี่ยวางมือหมดเลยแล้วคนไข้าตายปรากฏคนที่กำลังผ่านี่ตายคือหมอคนนั้นก็ไปสืบจากพัญญาของหมอใหญ่พัญญาเผลอตัวไงก็ไม่ทราบครับพวกเราเห็นไหมครับว่าการยึดติดในศาสนาีนกายมืองในการครนะูมันเป็นสิ่งที่น่าเกลียดมากมาก ศา ส, สนาที่แท้จริงไม่ใช่อย่างนั้นนะครับศา ส, สดาทุกองค์สอนให้เรากรุณาให้เรามายึดถือตัวถือ ต, อตนไม่ให้แบ่งชาติชั้นวรรณะไม่ยึดถือผิวพันธุ์ไม่ยึดถือเพศแต่โดยความเป็นจริงไม่เป็นอย่างนั้นนะเมื่อสมัยผมเป็นนักบวชเข้าเผลอเข้ามาในวัดธรรมันยึดถูกไล่ออกมาไอเราเพิ่งบวชใหม่ไม่รู้อิหนอยเนี่ยเขาคิดว่าพระก็เหมือนกันทั้งนั้นที่ไหนได้ครับในสุดค่อยๆเรียนนะโอ้ จิตใจที่ติดยึดศาสนานี่มันร้ายยิ่งกว่าชาวบ้านหนึชาวบ้านเขาไม่รู้ไม่รู้ไม่สีนะครับเห็นนันพระเขาก็สายบาตแต่ว่าถ้าเผลอไป น, นอนผิดวัดถูกหาวโมโยนนอกวัดไม่รู้ตัวผมจะบอก <c oughs> ดังนั้นเราเราต้องไม่กลายเป็นผู้ที่คลั่งศาสนานครับแต่เราควรจะเป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งที่มีสามัญสํานึกสูงเรามัดะวังต่อสิ่งรอบๆตัวนะครับ ให้คนอื่นก็ยึดถือแต่เราไม่ควรที่ยึดถือในลัทธินิกายอะไรงนะี้แม้เราจะพูดเราเป็นสาวกของพระเจ้าแท้ที่จริงพระเจ้าท่านไม่ได้สอนให้ติดที่กายนะครับแต่ท่านสอนตัวสัตยธรรมดังนั้นเมื่อเราเห็นสัจธรรมแล้วนี่เราจะเรียกยึดถือก็ได้ไม่ยึดก็ได้ของจริงนะของจริงมีอยู่เนี่ยจะยึดก็ได้วางก็ได้ครับเมื่อเรามาเห็นรูปเป็นนามเห็นการแปลเปลี่ยนออย่างนี้ ใครมาสอนเราอย่างไรพมคิดว่เราจะไม่ฟังเพราะหูตาจมูกกายใจของเรามันสัมพันธ์อยู่กับสัจธรรมอยู่แล้วใครมาพูดว่าร่างกายนี้เป็นของเที่ยงพูดออกก็ได้ครับพูดว่าไม่เที่ยงก็ได้ผมไม่ว่าอะไรทั้งนั้นแต่ว่าของจริงเป็นอย่างไรเราเห็นอั่านั้นปากเราจะพูดว่าเป็นกายนี้เป็นของตนก็ได้ไม่ใช่ก็ได้ครับ จะรู้เห็นโดยสภาพเป็นจริงนี้นครับสภาพเป็นจริงมีอยู่เช่นไรเราเห็นโดยประการนั้นสิ่งใดที่มันยึดไม่ได้มันจะไม่ยึดเองสิ่งใดที่ยึดถือได้ก็จะยึดเองดังนั้นธรรมะของพระเจ้าไม่เกี่ยวกับการยึดถือหรือการปล่อยวางมันเกี่ยวกับการรู้ของจริงหรือไม่รู้ของจริงเท่านั้นถ้ารู้จริงนเรื่องไหนวางเรื่องไหนไม่มีมันวางเองครับ เหมือนกับว่าเรานอนหลับแล้วก็ฝันฝันว่าขึ้นสวรรค์ไมมาหรือผีไล่พอตื่นขึ้นมาของไม่มีมันก็ไม่ยึดเองครับพอมันรู้ว่ามันของไม่มีมันก็เลิกเองไม่ต้องไปแกล้งเลิกครับแต่ถ้าสิ่งไหนมีจริงนะครับเราควรจะรักษาและรู้อย่างร่างกายนี้มีจริงๆดังนั้นเราพระเจ้าท่านตรัสท่านบอก กายนี้ดุจฟองน้ําท่านไม่ได้บอกกายนี้ไม่มีตัวไม่มีตน ไ, ไม่ใช่เงนั้นมันมีครับแต่มันมีแบบฟองน้ําตกง่ายครับร่างกายนี้ตายง่ายนิดเดียวไม่ใช่ไม่มีดังนั้นเป็นหน้าที่หนึ่งที่เราต้องดูแลมันร่างกายเปรียบด้วยก้อนหนึ่งฟองน้ำํำทีนี้บางคนศึกษาธรรมานี่เองใครคัดง้างกันกับพูก คงแก่เรียนหนังวิทยาศาสตร์เขาเขามองชีวิตด้วยแสงเลเซอร์ด้วยแสง x ก็บอกร่างกายมนุษย์ไม่มีอะไรเลยเป็นของโปรง่งใสเอ๊อย่างนี้หน้าก้อนเห็นคว่างหน้าสักทนะีมันไม่เป็นอย่างนั้นโดยความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราต้องมา ด, ดูที่ตัวจริงแะของจริงนะสิ่งไหนมีอยู่อย่าทําเป็นว่าไม่มีเสียและสิ่งไหนไม่มีอย่าคิดว่ามันมีครับหนูชื่ออะไรนะผมลืมนะ ออร ค, รคุณสีสมอนนี่จริงๆไม่มีครับแต่ว่าที่รูปน้ำที่กําลังนั่งอยู่ตรงนี้นะครับขันห้าที่เป็นอยู่ภายใต้กลชาตินะี้มีไม่มีแล้วก็ตอบคําถามผมไม่ได้แต่สีสมอนไม่มีเอ๊ะหรือว่ามีมันก็มีเท่าที่มันมีจริงไหมครับ มันมีเท่าที่เราอุปโลกขึ้นนะครับแต่เวลาเรานอนหลับสมมุติว่ามีคนนอนนะครับบนเตียงหรือบนในห้องห้องไหนมีทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้ห ญ, ผหญิงนักบวชสมมุติว่า น, นอนมีคนหนึ่งยืนดูเราก็รู้ว่านี่พระกําลังหลับผู้หญิงกําลังหลับผู้ชายกำลังหลับแต่ว่าท่านในตัวเจ้าตัวที่กําลังหลับมันไม่รู้อะไรเลยครับไม่มีพระไม่มีผู้หญิงไม่มีผู้ชายจริงไหมครับ ถูกดังนั้นในสภาวะในตัวของมันนี้มันไม่ได้มีอย่างที่โลกสมมติขันห้านั้นเป็นหนึ่งนั้นุทธีพุทธเจ้ามาขันห้าเปรียบดังพยับแดบเปรียบดังความฝันพอตื่นขึ้นมันมันมีได้แต่มันไม่ได้มีอยู่จริงเราก็มาศึกษาตัวนี้ขึ้ไปตรงต สมาธินั้นเกิดขึ้นในหลายวิธีมากและมีหน้าที่มีกิจหลายอย่างซึ่งต้องทําเป็นเรื่องๆครับเช่นอยากจะมีฤทธเดชต้องมาฝึกสมาธิแบบแต่ผมเห็นคนมีฤทธมีเดชแก่ๆเข้าแล้วเฮงซวยทุกไลน์ม <c> อ <oughs> สมัยที่กาลังขลังนี่นโด่งดังมากว่าแก่ตัวเข้าเนี่ยไม่น่าครบเลยครับคือไปมุ่งในเรื่องซึ่งมันไม่ใช่คําสอนของพระพุทธเจ้าครับ สมาธิที่พระเจ้าสนับสนุน ม, มีอยู่สองประเภทเท่านั้นที่ที่มีบทบาทเด่นชัดก็คื อ, คอสมาธิที่เ ก, การเจริญสติและเพื่อที่จะเข้าไปเห็นขันห้าตามที่เป็นจริงสมาธิเช่นนี้เป็นสมาธิกล่าวได้ว่าเป็นของพระพุทธเจ้าสอน ส่วนสมาธิที่ไปนั่งแล้วเกิดพลังเห็นโน้นเห็นนี้ที่จริงนี่เป็นนอกแนวพุทธศาสนาบคือหูที่ตาทิ่เพื่ออะไรตัวมีอะไรสารพัดเลยครับและสิ่งนั้นเป็นอันตรายมากๆใครไปสนใจเข้าอาจจะผิดเพี้ยนผิดปกติไปนานทีเดียวดังนั้นถ้าเราดูในองค์มาเราจะพบว่า พระเจ้าตรัสสัมมาสตินี่ก่อนสัมมาสมาธิใช่ไหมครับจําได้ไหมอริมักมีองค์แปคือเมื่อสติสมบูรณ์ดีแล้วนะครับสมาธินั้นจึงจะไม่คลาดเคลื่อนไม่วิปรวปราชคลาดเคลื่อนแต่ถ้าไปทําสมาธิขึ้นก่อนสติคือสติสตังยังไม่ค่อยเต็มมีสมาธิคล้ายๆมีพลังมหาศาลเกิดขึ้นแต่เป็นคนไร้สติอันตรายไหมครับ เมือรถแทรกเตอร์คันหนึ่งใครติดเครื่องขึ้นมาแล้วไม่ไ ม, มีคนคุมพองอะไรในวัดนี้ั้วัดยุ่งหมดคือสมาธิเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายครับถ้าขาดสติตดังนั้นสมาธิที่แท้จริงนั้นต้องมีรากฐานตรงสติดังนั้นพุทธเจ้าตราสสมาสติก่อนแล้วสมาสมาธิในวงจรกว้างๆท่านตรัสว่ า, า, วาเมื่อสติไม่พอเพียงครับสมาธิก็ไม่พอ เมื่อสมาธิไม่พอส ม, มาทิฏฐิก็ไม่สมบูรณ์เข้าใจไหมครับสมมติเดี๋ยวนี้เราสอนหนึ่งสมาทิฏฐิกันเราเอาตัวสูตรมาอา่านนั่นไม่ใช่สมาทิฏฐิครับเพราะว่าสติยังไม่พอเข้าใจไหมครับไม่ใช่ว่าสมาทิฏฐิเรามาพูดสอนกันแล้วบรรลุ ถ, ถึงสมาทิฏฐิไม่ได้ครับแต่สมาทิฏฐิที่พอเพียงนะครับก็คือเมื่อสติพอเพียง สมาธิก็จะพอเพียงเมื่อสภาสมาธิพอเพียงสัมมาทิฏฐิก็จะพอเพีย ง, พ อ, พ, ยงพอเพียงที่จะรู้ที่จะเห็นที่จะละเราอ่านพุทธศาสนาคร่าวๆแล้วก็คิดว่ามีเป็นสัมมาทิฏฐิอย่างนี้ความรู้นั้นพอเพียงสําหรับหาเลี้ยงชีวิตเท่านั้นคือไปสอนธรรมะหาเงินได้จากผู้ที่อยากจะเรียนเท่านั้นเอง แต่มันไม่พอที่จะรู้เห็นขันห้าตามที่เป็นจริงและที่จะละอาสวะมันไม่พอในการงานเช่นนี้แต่อาจจะพอที่ไปสอนคนอื่นสอนส ม, มาธิประกอบด้วยอะไรบ้างอะไรแบบนี้นครับดังนั้นจุดสําคัญมันอยู่ตรงที่สติครับเราจเจริญสติให้พอเพียงสมาธิก็จะพอเพียงเมื่อสมาธิพอเพียงการรู้การเห็นอริยสัจก็ดีในระดับ น, น, นั้นก็จะปรากฏขึ้นได้เอาล่ะครับเริ่มเคลื่อนเมือให้ได้เนื้อหามากขึ้นนะครับ คือชัดชัดตรงๆงอย่าอ่อนช้อยครับอย่าทำเป็นเลื่องเล่นครับทำให้ได้เนื้อหาตัดตัดชัดชัดเป็นจังหวะซึ่งมันจะวูบๆที่ใจ แต่ถ้าเราเคลื่อนมืออย่างนี้ไม่ช้าไม่นานมันจะตกกลับลงมาที่ตัวมันนี่เป็นอุบายสำหรับดับจิตเป็นไย่สำหรับดับจิ ต, จตที่คิดนึกออกไปนอกตัว อาจจะมีความเหนื่อยหน่ายบ้างครับแต่นานเข้ามันจะรู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆจะดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆครับมันดูไม่งอตงามครับนั่งยกมืออย่างนี้สูนั่งหลับตาพลิ้มไม่ได้ดูหน้าศักดิ์สิทธิ์มากๆแต่จริงๆหลับข้างในเขาไม่รู้อันนี้มันดูคล้ายๆมันดูหยาบๆ ย, ย, ยังไงเขาไม่รู้ แต่วันนี้คือสิ่งที่ทําให้เราจะทําเราจะกระตุ้นใมันตื่นครับไม่ใช่เป็นต้องรักษาเาตตาเป็นผู้หญิงก็จริงครับเดินหยาบๆก็ได้ครับถ้าคราวที่มันวุ่นวายขึ้นมาผมเคยแนะนักศึกษาคนหนึ่งเขาฟุ้งซ่านมาผมแนะให้วิ่งกลับไปกลับมาแทนที่จะเดินจงๆให้มันเดินแรงๆเข้าไปก็แทกพื้นเข้าไปแรงๆ พอตอนที่เราฟุ้งซ่านนี่คือมันเราลืมตัวครับเราติดในนิมิตอะไรต่างๆแล้วก็ลืมตัวไปเรากลับมาที่เราก็ค่อย <c oughs> ๆสบายขึ้นเรื่อยๆสมมติสตินะครับหดกลับเข้ามาในตัวอย่างพอตัวแล้วคล้ายๆหนังสติซึ่งยืด วันนี้มันหดกลับมันเป็นตัวหนังสติ๊กเท่าที่มันเป็นจริงแล้ว่วงของการเวลาจะสั้นอยู่เฉพาะหน้าเท่า น, นั้นมีแต่ขณะนี้เท่า น, นั้นแล้วจะเห็นอาการที่เรียกว่าอาการทางกายและทางจิตจง เห็นตาที่กำลังพลิบอยู่นะครับหายใจเข้าหายใจออกอยู่โดยธรรมชาติภายใต้กดธรรมชาติก็พลิบตาก้มหน้าเงยหรือกลืนน้ําลายหัวใจเต้นมันจะเห็นสารสวมรวมกันอยู่นะเหมือนกับหมอ้อถั่วหลายๆใบซ้อนๆมันจะเห็นทั้งหมดอย่างนี้ อิริยบทใหญ่คือการนั่งการขึ้นไหวน้อยๆภายใต้อิริยบทใหญ่ที่นั่งนี้ก็คือการกระพิบตาคือน้ำลายอ้าปากหุบ ป, ปากก้มเงยเอียงซ้ายเอียงขวาเราก็เห็นอยู่นี้แล้วมันมีสมาธิอยู่ในการเห็นนั้นๆด้วยการเห็นนั้นคือสมาธิสมาธิกับการเห็นเนี่ยเป็นอันเดียวกันไหม ปราจากสมาธิแล้วจะเรียกมีการเห็นไม่ได้แล้วสมาธิที่ถึงระดับเห็นหนคือสมาธิที่มีเอกภาพครับคือจิตไม่ได้ซัดสายไปหลายเรื่องแต่ว่าถ้าเรากำหนดนิมิตอันหนึ่งขึ้นแล้วก็เพ่งเข้าไปอย่างนี้มันจะไม่เห็นครับแต่มันจะปรากฏเป็นสมถะเป็นอารมณ์ชนิดหนึ่งบบบ น, นี้เราเห็น แต่ระดับของสมาธิต้องถึงระดับแน่วแน่เหมือนกันคือตั้งมั่นลงในในตัวเองเราจะเห็นการเคลื่อนไหวชั้นในสุดคือจิตคิดตกไปคิดวุ่นว่าออกไปหลายเรื่องสองสามเรื่องก็รู้รู้ขึ้นมาพอรู้ขึ้นมามันก็หยุดเมื่อนักศึกษามังปฏิบัตินะครับเดินจงกลมก็ดีเคลื่อนมือก็ดี สิ่งสำคัญอันหนึ่งก็คืออยากให้มันพูดครับเราจะพบว่าเรานั่งปฏิบัติแต่มันพูดอยู่ข้างในทัางพูดครับข้างนอกนี้อาจจะไม่พูดแต่ข้างในมันพูดพูดอย่างโน้น อ, น, อ น, นอย่างนี้อย่างโน้นเราจะให้มันพูดคล้ายๆหอยนะครับที่ได้ยินเสียงมันค ก, ก, กลัดกๆๆเราตีพื้นมันเงียบ ข้างในเหมือนกันมันพูดจอรจแจดจอร จ, อ, จ อ, อยู่เรื่องนั้นเรื่องนี้เราเห็นมันแล้วไม่ให้มันพูดก็เคลื่อนเหมือมีแต่ความรู้สึกตัวอย่างนี้เมื่อข้างในไม่มีคำพูดข้างในก็เงียบจากเสียงภาษามนุษย์เมื่อข้างในไม่มีเสียงภาษามนุษย์ไม่มีภาษามนุษย์แล้ว มันก็เป็นภาษาของหัวใจเท่านั้นนครับมันเป็นเพลงหัวใจทุ่นๆล้วนๆของมนันเงียบสงบภาษาหนึ่งซึ่งไม่เกี่ยวกับถ้อยคำมันไม่ได้พูดออกมาเป็นคาแต่มันมีอยู่อันหนึ่งแน่ครับคือสภาพถ้อยคำซึ่งไม่มีคำพูด เป็นเป็นคำพูดซึ่งไม่เกี่ยวคำพูดเป็นคำคำหนึ่งซึ่งคำคำนี้ที่พระเจ้าเรียกว่าสภาวะรู้ <c oughs> ในครั้งที่พระเจ้าทำปฏิบัติที่ตาต้นโพนท่านไปเห็นตัวพุท ธ, ธะตัวนี้เข้าแล้วท่านร้องอุทานออกมาว่ารู้แล้ว เลยเรียกว่าตรัสรู้ตรัสคืทรงดำรัดออกมาว่ารู้ละคือเข้าไปเห็นสภาวะรู้ซึ่งทุกๆคนเนี่ยมีตัวเนื่องจากวิตกวิจารณ์ความคิดมากมายจิตกรุงแต่งขึ้นบดบังคล้ายๆจะมีสิ่งหนึ่งอยู่นีและมีหลายสิ่งบังอยู่พอเราเปิดเผยนี้เปิดเผยนี้ในสุดตัวสุดท้ายก็จะปรากฏออกมา วันี้ ร, รู้ตัวให้มาก ๆ, ๆพอคิดขึ้นมาก็ไม่สนใจพอรู้ตัวความคิดก็ตกออกไปพอไม่รู้ตัวเข้าไปในความคิดพอรู้ตัวก็หลุดออกจากความคิดเห็นการเข้าไปในกระแสความคิดเห็นออกมาจากกระแสความคิดอยู่อย่างนี้ครับพอทำอย่างนี้ชื่อว่าเรากำมังเจริญวิปัสสนายอยอย่างต่อเ น, นื่องผมดีใจที่ได้ยินอาจารย์สุดทูดนเมื่อกี้นัว่า ผมเห็นด้วยมากๆที่ว่าที่เราปฏิบัติอย่างนี้ไม่ใช่ผมดูถูกพระนะพระทั่วไปไม่ค่อยได้ปฏิบัติเลครับเพราะามัวทะสวดมนต์คือมีกิจกรรมอื่นมากครับก็น่าเห็นใจท่านเวลาจะมานั่งเจริญกรรมฐานบางทีสี่ปีเพราะบางรูปบวชมาันยี่สิปีไม่เคยปฏิบัติเลยไม่เคยมารู้จักจิตใจมารู้สึกตัวนี่ไม่เคยมีดังนั้น พอเรามาทำความรู้สึกตัวเช่นนี้นะครับเรากำลังผมอยากจะใช้คำว่าช่วยธนุบำรุงพุษธศาสนา ค, คือเราตอนที่เราปฏิบัติเนี่ยเรากำลังช่วยให้คำสอนของพระเจ้านี่เป็นจริงาไม่ใช่เพียงเลยลัทธิความเชื่อลอยๆเท่านั้นเข้าใจไหมครับเมื่อดดที่ศาสนามีการปฏิบัติ แล้วก็ได้รับผลขึ้นมานะครับไม่ว่าในหมู่ภิกษุหรือชาวบ้านเมือนั้นชื่อว่าไ อ, ไอสังคมของสัรี่สุขก็จะปรากฏเป็นจริงขึ้นไม่เช่นนั้น เ, เราก็นับถือลอยอยนะรเรามีวัดเยอะมีพระภิกษุเยอะจะดูแล้วลอยๆยังไงชอบกนอยู่ตอนเมื่อเราปฏิบัติข็้ไปจริงๆเราจะรู้สึกได้ดี ศรัทธาที่แทงเราจะปรากฏนะครับเราเห็นพระเราใส่บาตรด้วยความสนิทใจมากๆซึ่งแต่ก่อนนี้เราก็ลังเล่เอบฟังนี่พระจริงอพระแเกเ้ใส่ไปแล้วก็ไม่ค่อยฟ้าสุขเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเรารู้สึกตัวดีเราเข้าใจศาสนาดีครับจะเป็นพระจริงพระแก้ก็คนเหมือนกันนะนั้นเราใส่โดยไม่หลังเล่เลยเข้าใจไหมครับนะไม่จำเป็นต้องเลือกพระเลยเพราะว่าพระก็คือคนเนี่ยครับดังนั้ น, นการที่เราเอื้อเฟื้อท่าน ไม่จาเป็นต้องสงสาวไอ้พระนีมีศีลบริสุทธิ์ัหมทำอย่างนั้นแทนที่จะได้บุญกลับได้สิ่งที่จงกันข้าว